เดี๋ยวพระธนตรัยกราบถวายความเคารพของพ่อคำเขียนตวนโนองค์ประธานสงฆ์พระเทลานุเทระเพื่อนสหธรรมิกอีกรูปขอความเจริญในธรรมจะมีแย่ญาติโยมอากลูกฝ่ายในธรรมทั้งหลายก็คงจะด้วย อานิสงส์ในงการฉลองพระอุโบสถก็ทำให้ได้มาพบปะกันในการปฏิบัติธรรมงานฉลอง <c oughs> อุโบสถทางนี้ถือว่าเป็นงานบุญที่ ยกระดับจิตใจของผู้ฝ่ายในทำให้สูงขึ้นเพราะว่าจัดกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานอบรมจิตใจหรือว่าเป็นงานบุญที่ตรงต่อรักทําคคำสอนในทางพุทธศาสนาของเรา งานกรรมฐาน <c oughs> ถือว่าเป็นงานหลักในทางพุทธศาสนาเพราะว่าการนับถือศาสนานั้นถ้าหากว่าเราไม่น้อมนำทรมาฝึกหัดหรือมาปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตนเองแล้วนี่ <c oughs> ก็เรียกว่าได้ประโยชน์หรือได้อานิสงส์น้อย จากการที่เรามีพระศาสนารับถือศาสนาเพียงแต่การเรียนการศึกษาจากพระธรรมคำพีต่างๆนั้นก็เป็นเพียงการศึกษาเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเท่านั้นเองถึงแม้ว่าเราจะจดจำพระธรรมได้มาก แต่ถ้าเราไม่น้อมนํามาฝึกขัดปฏิบัติตัวเองการศึกษานั้นก็เป็นเพียงสัญญาที่มีอยู่ในตัวเราเองเท่านั้นแต่เมือ่อใดเราได้น้อมนําทำนั้นมาฝึกขัดนามาปฏิบัติอบรมเตีนให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเราแล้วก็ฝึก ปฏิบัติอบรมจิตให้มีสมาธิมั่นคงแล้วก็อบรมเจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมชีวิตคือเรื่องกายเรื่องใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำให้เกิดให้มีให้เป็นในตัวของเรา กรรมฐานก็คือการฝึกจิตใจของเราญาติโยมฝึกประวัตใจของเราเนี่ยที่ยังไม่ได้ฝึกหัดยังไม่ได้อบรมยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเรื่อมันไม่มีที่พึ่งไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเมื่อเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งตนเองอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไร จิตใจของเรามาถึงจะพ้นไปจากความทุกข์หรือพ้นไปจากปัญหาแต่ถ้าเราได้ฝึกหัดได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็ยังรู้จักทางที่จะออกหรือทางที่จะหลุดทางที่จะพ้นออกไปได้ดันั้นการฝึกติดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในทางพุทธศาสนาของเรา พุทธองค์ก็ดีพระอริยสาวกในครั้งพุทธกาลก็ดีกรล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้อบรมจิตได้ฝุดจิตมาเป็นอย่างดีจนจิตนั้นพัฒนาไปสู่ความหลุกความพ้นคือการออกจากทุกข์ได้อันนั้นก็เป็นเรียกว่าได้เข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐ คือความ้นทุกข์อัต น, นิธรรมชาติจิตของเราเนี่ยที่ยังไม่ได้ฝึกอบรมคือยังไม่ได้เข้าใจทำเนี่ยมันก็มักจะลิ้นรลนทยานอยากก็ด้วยอำนาจแห่งความต้องการความปรารถนามันไม่ค่อยจะอยู่นิ่ง เราสังเกตดูในขณะที่เรา น, นั่งเกริญสติอยู่เนี่ยจิตของเรามันก็ดิ้นรนกัดแวงไปตามความต้องการรักษายากห้ามยากฝึกยากเที่ยวไปไกลมักจะตกไปสู่อารมณ์ที่ใคร่ที่พอใจที่ปรารถนาอยู่เสมอ ก็คือตกไปสู่อารมณ์แห่งตารมคุณต่างๆีรูปเยียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสนี่อารมณ์ที่ดึงดูดใจแล้วก็ทำให้จิตต้องเที่ยวไปคล่องไปในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้แต่ธรรมชาติของจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ฝึกฝนอบรมฝึกได้ปฏิบัติได้เมื่อจิตนี้ได้ ฝึกผลอบรมปฏิบัติได้แล้วเนี่ยเรียกว่าก่อให้เกิดประโยชน์คือความสุขสงบเย็นให้แก่จิตใจเนี่ยมหาศาลเพราะฉะนั้นการสกิจจึงเป็นความดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนี่นำสุขสงบมาให้แก่เราดนั้นอุบายในการฝึกนั้นก็มีหลายรูปแบบหลายวิธีการหลายอย่าง ก็แล้วแต่เราจะเลือกเอาแบบไหนวิธีไหนอย่างไรสิ่งไหนที่มันถูกกับจริตถูกกับนิสัยหรือทำให้เกิดสติปัญญาแล้วเนี่ยก็คงจะเลือกเอาวิธีการนั้นแต่วิธีการ <c oughs> จิตวิสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยก็เป็นวิธีการอีกอรูปแบบหนึ่งในทางพุทธศาสนาของเรา เป็นการเจริญสติกับธรรมิไปด้วยกันเพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานนั้นถือว่าเป็นหลักเป็นหัวใจในการฝึกปฏิบัติถือว่าเป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่จะทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นผู้ที่ จะทำให้ตัวเองนั้นหลุดพ้นออกไปจากความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจเรือว่าเป็นผู้ที่จะเดินทางนี้แล้วเนี่ยจะพ้นไปจากความทุกข์ได้พนั้นวิธีการที่อรุพธ o t h ณนท่านได้แนะนำในหลักของการปฏิบัติแบบนี้เนี่ย จริงอายการฝึกกับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นหลักเพราะธรรมชาติของกรรมฐานที่ฝึกกันอยู่ในเมืองไทยทั่วไปเนี่ยก็สายการเคลื่อนไหวเท่านั้นแหละไม่มีวิธีไหนที่ฝึกที่ไม่เคลื่อนไหวฉะนั้นการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวอย่างหยาบ แล้วก็อย่างละเอียดเคลื่อนไหวอย่างยากก็อย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยทุกลายบทสี่ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ลายบทที่ละเอียดก็ผู้เยียดเคลื่อนไหวก้มเงยเดี๋ยวซ้ายแลขวากระพริบตาอ้าปากละเอียดเข้าไปก็หายใจเข้าหายใจออกดึงความมีสติรู้สึกตัว ฉนั้นวิธีการอนาปานสติก็ดีก็อาศัยการเคลื่อนไหวลมหายใจเป็นหลักหายใจเข้าเอาสติเข้าไปกัหมดรู้สึกรู้ในขณะที่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็มีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็มีสติฝึกสติอยู่กับลมหายใจแต่ทีนี้สําหรับผู้ที่มีอินทรีย์ที่ยัง อ่อนสติที่อ่อนพอฝึกอูกลมหายใจแล้วเนี่ยมักจะเกิดความพลั้งเผลอได้ง่ายเพราะว่าอารมณ์นี่มันเป็นละเอียดลมหายใจจะมันจะละเอียดเข้าละเอียดเข้านี่ยลืมพอกำหมดไ ป, ไปกำหมดไปลืมลมหายใจลืมกำหมดรู้ลมหายใจหลับไปบ้างเผลอบ้างคิดฟุ้งซ่านอะไรต่างๆมากมายก็เลยทำให้การประพฤติปฏิบัตินั้นเนิ่นช้า บางครั้งก็ฝึกไปฝึกไปก็ไปติดอยู่ในความสงบติดอยู่ในฌานในสมาธิก็ติดอยู่ในสุขในสมาธิพอใจอยู่ในสมาธิกอติดอยู่กับนิมิตต่างๆมากมายอที่เกิดขึ้นในอารมณ์สมาธิในอุปจาระต่างๆอาทีนี้ก็เลยทําให้ผู้ปฏิบัตินั้นเนิ่นช้าในการปฏิบัติ เราก็เนิ่นช้าในการที่จะกลับมาจเจริญสติบางทีก็ไปจิตอยู่แค่นั้นน่ะให้ความสงบได้ความสงบแล้วก็พอใจอิ่มใจอยู่เพียงแค่นั้นนี่ก็เรียกว่าไม่ไม่จเจริญต่อหรือไม่กระทำต่อแต่วิธีการฝึกแบบการเคลื่อนไหวเนี่ยเรยว่าเป็นการฝึกเรียกว่าอาศัยอุียาบทต่างๆที่เรามีอยู่ในธรรมชาติเนี่ย ข้อในหลักข้อตีประธานตีนั้นก็จะมีอานาประสติแล้วก็มีทียบพพบทบพะกำหนดทียบบทยืนเดินนั่งนอนแล้วก็สัมปัญญัติบพะก็คือการกำหมดทียบทที่ละเอียดโหละเียดเพื่อนไหวต่างๆก็ล้วนแต่เป็นการฝึกสติทั้งนั้นเลยเราจะหยิบยกเอาจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เอาอนาปา น, นสติ เอาเรียบทบพะหรือจะเอาธรรมยบพระนี่มาฝึกได้เท่านั้นล้วน mm. แต่เป็นอุบายที่ฝึกเจริญสติทําให้เกิดความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นเชือกที่จะผูกใจเราแล้วเนี่ยการยกมือเคลื่อนไหวถือว่าเป็นเชือกเส้นใหญ่ที่มันยกแล้วมันรู้สึกได้ชัดเจนแล้วก็มีสติรู้ตัวมันตื่นตัวได้ดี ธาตุอนาปานั้นก็เป็นเชือกที่เล็กลงมาหน่อยมักจกเะเผลอแล้วขาดง่ายเพราะธรรมชาติในการฝึกจิตเนี่ยเราถือว่าเอาสติเนี่ยมากำหนดอยู่ที่การเคลื่อนไหวเนี่ยเอาสติมาเป็นเชือกผูกไว้กับหลักคือการเคลื่อนไหวเอากายนี่เป็นหลักความรู้สึกไปกการเคลื่อนไหวทางกายให้เป็นหลัก เอาสติผูกไว้ผูกจิตเอาไว้กับหลักนี้เวลาที่เรายกมือขึ้นเอามือลงเก็บมือเข้าเอามือออกอเราเจตนาเราตั้งใจละหมดรู้สึกเป็นขณะขณะขณะไปเนี่ยจิตเราก็จะระลึกรู้รู้สติเราก็จะระลึกรู้อยู่ที่การเคลื่อนการไหวอยู่นี่เป็นหลักแต่ขณะใดที่ความทั้งเถอ หรือการขาดสติเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยสติมันรู้สึกตื่นตัวแล้วกลับได้เร็วดึงจิตกลับมาได้เร็วเพราะเอียบทนี้จะกระตุกทําให้จิตตื่นรู้สึกตัวแล้วก็กลับคืนมาได้เร็วไม่เผลอเพลินแล้วก็ล่องลอยไปกับอารมณ์ต่างๆที่มันคิดกรุงแต่งนี่หรือเริ่มการฝึกสําหรับผู้ที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังจับความรู้สึกยังไม่ได้ชัดเจน อาจจะเดินจงกรมหรือนั่งส้างจังหวะเนี่ยเผลอใจลอคิดโน้นคิดนี้ไปมากมายแต่ก็ไม่เป็นไรญาติโยมซึงมันจะคิดไปเผลอไปขาดไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตเ่าที่มันเคยคิดอย่างนั้นแต่เราก็พยายามตั้งใจพยายามกำหนดรู้บ่อยๆทำความรู้ติดตัวเรการยกมือเคลื่อนไหวเนี่ยรู้ตัวบ่อยๆเข้าบ่อยเข้ า, ข า, ขาเนี่ย จิตของเราที่มันเคยลิ้นลนเคยนึกคิดเคยปรุงแต่งเคยไหลไปกับความคิดเนี่ยมันจะค่ อ, คอยกลับมาสู่ความรู้สึกทางกายมากขึ้นรู้สึกตัวมากขึ้น <c oughs> บางทีบางครั้งอาจจะเดินจงกรมไปหลายรอบแล้วยังไม่รู้สึกตัวอาจจะคิดไปในเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างจิตเราอาจจะเผลอไปลืมกันหมดลืมรู้สึกในขณะที่เดินจงกรมสร้างจังหวะ พอรู้สึกรู้เมื่อไหร่ก็พยายามกระตุกพยายามน้อมจิตกลับคืนบาสู่ฐานาฐานกายเนี่ยกายานุสนาติปัฐานเนี่ยกลับมาสู่ฐานกําหนดรู้ใหม่ทําอยู่อย่างนี้แหละความคิดมันก็จะยื้อแย่งไปพยายามไว้สติรู้ตัวก็พยายามดึงกลับคืนมาเนี่ยระหว่างการฝึกก็เป็นอย่างนี้แหละกิเลสต่างๆมันก็จะดึงจิตออกไปข้างนอกคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ เราได้สติกลับขึ้นมาแล้วก็ดึงจิตกลับขึ้นมาฝึกใหม่รู้ใหม่กําหนดใหม่อยู่อย่างนี้ฝึกไปมากเข้ามากเข้า <c oughs> จิตที่มันเคยลิ่นลนกวัดแหว่งรักษายากห้ามยากเนี่ยมันก็จะค่อยรู้สึกตัวมากขึ้นแล้วกลับคืนมาสู่ปัจจุบันธรรมรู้ตัวอยู่ทุกขณะจิตก็จะเริ่มมีสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นมันเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้น คำว่ า, าสมาธิมาหมายถึงจิตเหรามันไม่ไปสู่อารมณ์อื่นแล่นไปในอารมณ์อื่นกลับมาสู่ความรู้สึกในขณะที่ยกในขณะที่เคลื่อนที่ไหวรู้ตัวทั่วพร้อมดอิ้นเนี่ยนี่คือจิตเป็นสมาธิอยู่ในปัจจุบันธรรมอยู่ตรงนี้เมื่อจิตมันไม่ดิน้นล้นไม่กวัดแกงไม่ซัดสายไม่ไปจิตเรามีเรียกว่าสติรักษาอยู่จิต ก, ก็จะมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความบริสุทธิ์ แล้วก็มีความอ่อนบอกได้เตือนได้ไม่แข็งกระด้างไม่ดื้อดึงแล้วก็มีความมั่นคงของมันนี่คือจิตเรามันเริ่มมีสมาธิมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มฝึกจัดเรียบ ท, ที่จัหยาบๆนี่แหละญาติโยมอาศัยการยืนเอาสติเข้าไปกำหนดรู้สึกในเรียบที่ยืนอาศัยการเดินจงกรมแต่ละก้าวเอาสติเข้าไปกำหนดรู้เรียบทในการเคลื่อนไหวแต่ละก้าว ฝึกอยู่อย่างนี้ทําอยู่อย่างนี้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้สติของเรามันก็จะเพิ่มพูนเจริญขึ้นมากขึ้นรู้จักระวังจิตรักษาจิตได้มากขึ้นเ ม, มื่อจิตไปเมื่อเมื่อไหร่มันก็รู้สึกตัวทันทีนี่รือว่าเป็นอุบายที่เราจะจับจิตของเราเพื่อจะรู้เท่าทันจิตของเราพวกอฝึกจิตของเราการฝึกเบื้องต้นเนี่ยถือว่าเป็นสมถะเป็นอุบาย ฝึกให้จิตมันอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันธรรมเนี่ยเป็นอุบายแล้วฝึกให้จิตมันอยู่รู้ตัวยกมือขึ้นเนี่ยเอาจิตใจมาเดเกี่ยรู้อยู่ที่การเคลื่อนการไหวอยู่เนี่ยนี่เราว่าเป็นอุบายในการให้จิตมันอยู่กับความรู้สึกผูกจิตเอาไว้ตรงนี้รักษาจิตไว้อยู่ตรงนี้เมื่อมันเล่นไปนี้ไปก็ดึงกลับคืนมาดึงกลับคืนมาเรื่อยเย เมื่อฝึกปฏิบัติไปอย่างนี้จิตของเราที่มันเคยเที่ยวไปสติเราก็จะเริ่มรู้เท่ารู้ทันมากขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกจับให้มันได้พอเรามีสติอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันธรรมได้นะมันก็จะประจับนะว่าอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามจะเริ่มรู้อยู่กับความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น รู้จักว่าอันนี้เป็นกายอันนี้เป็นใจนรู้จักดูความสึกภายในดูเป็นนละ้วส่วนนี้เป็นรูปส่วนนี้เป็นนามเริ่มรู้จักรู้เท่ารู้ทันและมีสติที่กําหนดรู้ชัดอนี่ยทําการอยู่กับอารมณ์รูปนามไปอยู่กับความสึกที่เป็นปัจจุบันธรรมเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่เ่ยก็จะทําให้เรารู้พฤติกรรมรู้อาการของจิตใจเราชัดเจนมากขึ้นเมื่อก่อนที่เราไม่เคยฝึกขัดเนี่ย เราก็ดูจิตใจไม่เป็นจิตมันจะคิดอะไรเราก็ปล่อยให้มันคิดไปตามแต่มันอยากจะคิดตามที่มันพอใจปรารถนาที่จะคิดเราก็ปล่อยจิตอยู่ตลอดเวลาจิตเราก็ไปเรียกว่าตกอยู่ในอำนาจของความอยากถุดไปลากไปดึงไปประสบกับอารมณ์ที่ดีก็เกิดความพอใจยินดีลหลงไหลเพลิเทินอยู่กับอารมณ์นั้น ประสบกับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ถูกใจไม่ชอบใจไม่พอใจก็อึดอัดคับแค้นเป็นทุกข์กุ้งข้ามลำคาญที่ตกกังวลจิตเราก็อยู่อย่างนั้น่ะวนเวียนเวียนอยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจกับความสุขความทุกข์ของโรคอยู่อย่างนั้นมันก็เลยเรียกว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่ แล้วแต่ความอยากมันจะดึงไปชักไปลากไปแต่พอฝึกแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้เท่าทันมันมาจิตมันออกไปกระทบอารมณ์สัมผัสอารมณ์หรือปรุงแต่งอารมณ์ใดเนี่ยสติมันจะเริ่มรู้เท่ารู้ทันทันการฝึกอยู่กับเรียบปัจจุบันเนี่ยเป็นการอยู่กับรูปกับนามรูปก็คือเพราะของการเคลื่อนการไหวการไปกันมาอยู่นี้แหละร่างกายเราเนี่ยเรียกว่ารูปประธรรมส่วนความรู้สึก ที่เกิดขึ้นภายในทั้งหมดนั้นเรียกว่าเป็นนามธรรมทั้งหมดเพราะนามธรรมที่เราพูดถึงตรงนี้นี่เป็นนามธรรมที่เป็นความรู้สึก <S <S 1> <S 1> เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากกายเนี่ยรู้สึกทางตาในการเห็นนี่ก็เป็นนามรู้สึกทางหูที่กระทบสัมผัสกับเสียงนี่ก็เป็นนามรู้สึกทางกลิ่นเมื่อมันกระทบจมูกนี่ก็เป็นนาม รู้สึกทางกายที่เรายกมือเคลื่อนไหวสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆนี้ก็เป็นนามเป็นนามทั้งหมดแม้แต่รู้สึกทางใจที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นนามเพราะนั้น <c oughs> นามเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นนามในปรากฏรูปเคลื่อนไหวไปมาก็มีสติระลึกรู้ความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้น ภายในทางสวารทั้งตาหพวจมูกลิ้นกายใจก็จะรู้สึกพราเราเอาสติเนี่ยมาลึกรู้อยู่ตรงนี้อยู่กับรูปกับนามตรงนี้เนี่ยพออยู่กับรูปก็จะมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู่จะเหยียดจะเคลื่อนจะไหวจะไปจะมามันจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลานั้นเพราะฉะี้เรามีสติอยู่กับรูปแล้วฝึกจิตถ้าจิตมันอยู่ถ้าเราฝึกกับรูปนี้เป็นหลักได้ดีแล้วเนี่ยการรู้จักนา ม, มนั้นมันเป็นผล มันเป็นธรรมชาติที่จะต้องสัมผัสแล้วก็รู้เองแต่ถ้าสติของเราไม่ละเอียดหรือฝึกสติเรามันห่างมันไม่ว้องไวัไม่รวดเร็วพอเนี่ยมันก็มารู้นามไม่ทันนามนึกนามคิดเองมันกนดรู้ไม่ทันมันคิดไปปรุงแต่งก็รู้ไม่ทันมักจะเผลอแล้วก็เพลินไปกับมันติดไปกับมันผนต้องอาศัยการฝึกเบื้องต้นเนี่ยฝึกกับกายนี่ให้มากเหมือนห้องพ่อเจรัญที่ท่านกล่าวไว้เมื่อวาน เพราะการฝึกกรรมฐานเนี่ยเราต้องเอากายามุสตาติปัฏฐานเนี่ยเป็นหลักใหญ่สาคัญถ้าเราพยายามฝึกสติให้รู้สึกอยู่กับกายนี้มากขึ้นเท่าไหร่รู้ตัวทางรู้สึกทางกายนี้มากเท่าไหร่นเนี่ยมันก็จะเป็นผลทําให้เกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจเนี่ยชัดเจ น, นแจ่มแจ้งรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราอยากํหาหนดอยบท์นี่ยังไม่ได้การที่เราจะไปดูจิตใจหรือดูความรู้สึกภายในนั้นเป็นเรื่องยากมาก เพราะเราจรึงต้องอาศัยกายเนี่ยเป็นหลักในการฝึกจิตเบื้องต้นไปก่อนพยายามฝึกให้รู้สึกกับเรียบทต่างๆมีอย่างหยาบๆเนี่ยจะลุกขึ้นเนี่ยให้รู้สึกจะนั่งลงให้รู้สึกจะก้าวไปให้รู้สึกพยายามฝึกกับการยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ยให้ได้ทุกๆเรียบทก่อนแล้วก็พยายามขยับเข้าไปถึงเรียบ ท, ที่ละเอียดเราจะคู้แขนเหยียดเหยียดแขนเราจะก้มจะเงยจะเหลียวซ้ายจะแลวขวา จะกระพิบตาจะเคี่ยวอาหารกลืนอาหารจะดื่มน้ำรู้ทำอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นประยะบน์ที่มันละเอียดเข้าไปเนี่ยก็พยายามฝึกจิตตอนนี้ให้มันกาหนดรู้ระลึก ร, รู้อยู่กับปริยชน์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ได้ถ้าเราฝึกได้ตลอดแล้วการที่จะรู้อารมณ์จิตใจภายในใ น, นั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่จะต้องสัมผัสต้องรู้เองแต่ถ้าเรายังไม่ผ่านการฝึกทางด้านกายเนี่ย ให้มันชํานาญให้มันระลึกรู้ให้สติมันว่องไวแล้วเนี่ยมันไม่ทันไม่ทันจิตไม่ทันความคิดทั้งการอยู่อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันหรือรู้สึกตัวอยู่กับรูปนามปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นการฝึกสติให้รู้สึกอยู่กับตายอยู่กับความรู้สึกพื้นฐานเบื้องต้นนี่เรกไปการดูรูปนามกำหนดรู้รูปนามให้มันเป็นการฝึกจิตอยู่กับความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันขณะขณะขณะ ถ้าเราฝึกได้ตรงนี้แล้วเนี่ยการเห็นความคิดการเห็นความรู้สึกทางสัญญาหรือต่างๆที่มันปรากฏเกขึ้นมาเนี่ยมันก็แจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็เป็นการเห็นนามรูปนามรูปนี่หมายถึงตัวความรู้สึกจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญว ญ, ญาณเนี่ยเป็นนามารูปเป็นรูปที่เป็นรูปของจิตเป็นรูปภายใน เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดเข้าไป แ, แรกๆเราอยู่กับรูปน้ำนี่ก่อนพอสติมันจะเรินเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วการเห็นนามารูปการเห็นอารมณ์ต่างๆนะั้นมันปรากฏมันเห็นเองแต่สติปัฏฐานก็จะเรียกว่าเห็นกายสัมผัสกายรู้กายชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนั้นทั้งหมดข้อเวทนาก็คือความรู้สึก จิตสะวทอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์ก็จะรู้จักดูเวลาที่จิตมันสะวทอารมณ์เป็นสุขมันสบายก็จะมีสติกำหนดรู้อารมณ์นั้นเออมีเวทนาเกิดขึ้นอนี่ยก็จะรู้จักดูเวทนาดูเป็นหรือในขณะที่จิตมันเกิดความเศร้าหมองเป็นทุกข์เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็จะมีสติรู้จักดูทุกกําหนดรู้ทุกนั้นโดยที่ไม่หลงเข้าไปในความทุกข์นั้นก็จะเห็นตามความเป็นจริง เพราะในตามหลักสติปัฏฐานบอกว่าเวทนาก็เห็นสักว์ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาก็เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะการกระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นว่ามีการผัดสะกับอารมณ์กระทบอารมณ์แล้วเนี่ยมันก็สะวทอารมณ์อเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้า ง, งเฉยเฉยบ้างก็เป็นธรรมดาของ อารมณที่มันเกิดขึ้นแต่เราผู้ที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยเรามักจะไปยึดเอาทุกข์ขึ้นมาก็เป็นตัวตนของฉันทุกข์ขึ้นมาก็เป็นตัวตนของฉันเราไม่ได้เอาสติเข้าไปดูสุขดูทุกข์ที่มันเกิดขึ้นไม่เห็นธรรมชาติที่มันเกิดมันดับเห็นธรรมชาติที่มันเสื่อมไปสลายไปดับไปเราไม่ได้เห็นธรรมจักมีความสที่เข้าไปเป็นตัวเราไปทั้งหมด เพราะนั้นหลวงพ่อคาเขียนหลวงพ่อเนี่ยพยายามที่จะให้เป็นผู้ดูสุขขึ้นมาก็ดูทุกข์ขึ้นมาก็ดูแล้วว่าเป็นผู้รู้จักดูแต่ที่เราดูไม่เป็นเราก็เลยเข้าไปเป็นกับมันเข้าไปเป็นกับเวทนาตัวนั้นสุขขึ้นมาก็เป็นตัวเราทุกข์ขึ้นมาก็เป็นตัวเรามันมีความรถถู้สึกเข้าไปสําคัญมั่นหมายแล้วมีอุปาทานเข้าไปยึดถือเอาสภาวะตรงนั้นเนี่ยมาเป็น ตัวเราของเราเพราะนั้นในหลักสติปัฏฐานนั้นจึงให้มีสติแล้วเนี่ยเอาสติที่เขาไปกันหมดรู้ดูมันดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเวลาจิตมันเสวยอารมณ์เป็นทุกเนี่ยเป็นไงเวลาที่มันรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเนี่ยเราลองรู้จักเข้าไปดูมันไหมไปดูอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นอาการถ้าเรามีสติปกติแล้วจะเห็นโอนทุกขเวทนามันเป็นอย่างนี้ก็หมดรู้เท่ารู้ทันมาอย่างนี้เมื่อมันรู้เวทนาแล้วเนี่ย การรู้จิตมันก็เป็นเรื่องที่มันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเวทนาจิตธรรมมันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันอยู่ด้วยกันเพราะความคิด <c oughs> การปรุงแต่งหรือจิตมันมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะหรือจิตมีอารมณ์อย่างไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นไปได้วยกันนั่นแหละมันจะรู้เท่ารู้ทันรู้จักดู มคิดมันคิดอะไรก็มีสติเข้าไปรู้มันปรุงแต่งอะไรก็มีสติรู้มันรู้ทันเองเมื่อเรารู้ทันตรงนั้นเลยโยมมันจะช่วยทําให้สติปัญญาของเราเนี่ยมันเกิดปัญญาขึ้นมารู้เองวโอ้ไม่แต่ตัวความคิดเองเมื่อก่อนเนี่ยเราก็าไปหลงอยู่ในมันหมกมุ่นอยู่ในความคิดหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ปรุงแต่งทําให้เกิดโลภะบ้างเกิดโทสะบ้างเกิดโมหะบ้างน่ยเพราะว่าความหลง ความไม่รู้จักดูนี่เองด้วยว่ยังไม่มีดวงตายังไม่มีปัญญาหรือยังไม่มียานที่จะกําหนดรู้เนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าไปลงยึดหลงสําคัญมันหมายยึดเอาถือเอาแม้แต่อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางใจของเราเราก็ไปยึดเอาถือเอาทั้งหมดพอเมื่อเราฝึกสติหรือจเจริญสติเข้าไปมากแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปเองรู้เองเห็นเองด้วยว่าเป็นปัจจัิตังเป็นเรื่องที่เรารู้เฉพาะตนจริงๆ เป็นอากาลิโกนี่เป็นจริงๆไปได้เลือกการเลือกเวลาเลือกสมัยว่าปีนั้นปีนี้เดือนนั้นเดือนนี้วันนั้นวันนี้ไม่ต้องไปกันหมดเลยเพราะว่าสติเราอยู่กับปัจจุบันแล้วมันเห็นทั้งหมดอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นภายในเนี่ยเพราะนั้นเพราะเพราะว่าเราไม่เห็นนี่แหละโยมไม่รู้นี่แหละทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยอ่าทุกข์จิตทุกข์ใจมันมาจากความไม่รู้เนี่ยเป็นปฐมเหตุเป็นเหตุทันว่าเราฝึกสติ ทำให้จิตนี้มาเกิดสภาะวะที่รู้ขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนเราได้แสงสว่างาเกิดขึ้นทางจิตใจของเราเร า, เ ร, ารู้ครั้งหนึ่งเนี่ยหมดรู้ครั้งหนึ่งเนี่ยความไม่รู้มันก็หมดไปครั้งหนึ่งเ <c oughs> มื่อเรารู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าอย่ายงเรายกมือขึ้นไหวเนี่ยหมดรู้สึกครั้งหนึ่งก็ทําพาวะว่าความรู้สึกตัวเกิดขึ้นครั้งหนึ่งยกบ่อยๆรู้สึกบ่อยบ่อยหมบดบ่อยๆ ภาวะที่รู้นี่ก็จะค่อยรู้ทีละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยภาวะของความรู้ก็จะรวมพลังรวมตัวกันเป็นความรู้รว่เป็นญาณเป็นปัญญาปณิปัสนาคือการเห็นแจ้งรู้จริงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราฉะนั้นเดียว่าการรู้อะไรก็ตาม